ที่วัดป่าหัวตลกวรนารามวันที่7ตุลาคม2559เรื่องรู้อย่างไรไม่ติดไปโดยหลวงตานรงศักดิ์ขีนาลโยคลวตาคะ่ะขอกาบเรียนถามนะคะ คือตอนที่เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นอะไรขึ้นในใจเราแล้วรู้อย่างไรถึงจําเรียกว่าเออมันไม่ติดไปนะคะมันไม่ไม่มันมันไม่เป็นการปรุงแต่งซ้อนปรุงแต่งเช่นเออ่สมมุติว่าเรามันมีอะไรผุดขึ้นมาในใจอย่างหนึ่งซึ่งมันแบบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาสดๆน ะ, นะคะคืออเ อ, อ หนูออยู่กับแม่คราวนี้ก็จะมีเรื่องแบบไม่ถูกใจกันบ้างก็บางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็งอนแม่มากเกินไปพอนึกถึงแล้วแบบมันก็รู้สึกเสียใจอ่ะนะคะคราวนี้เออมันก็จะเกิดอาการว่าเฮ้ยเราไม่ควรทำอย่างนี้กับแม่เราเรานี่มันก็หลายเนาะอะไรเงี้ยก็ก็มันเกิดขึ้นอย่างนี้ยอาจารย์เอ่อก็ทําความรู้สึกตัวขึ้นมา มันมันก็หายไปหรือบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกเสียใจโทษตัวเองอย่างไรถึงจะเรียกว่ารู้แล้วไม่ติดไปก็บางทีเมื่อเออเอเอรวมันแบบแป๊บขึ้นมาเสียใจรู้สึกตัวมันก็หายไปหรือบางทีมันก็รู้สึกขึ้นมาแล้วเราก็โทษตัวเองข่มควรว่าเราเป็นคนคไม่ดีเลยอย่างนี้ค่ะคือ จะเรียนถามว่าอย่างไรถึงจะรู้ว่าถึงจะเป็นการรู้ที่ถูกต้องนะคะรู้ถูกต้องก็คือผู้รู้เหมือนไม่ปรุงแต่งคือตัวนี้มันปุงแต่งมีความเสียใจได้น้อยใจได้หรือว่ามันปรงแตง่พยายามช่วยเหลือตัวมันเองว่ามันหลงแล้วพยายามช่วยด่วนตัวมันเองขึ้นมาได้หรือมันรู้แล้วมันมีการดีใจพอมันปฏิบัติได้มันดีใจได้อย่างใจ หรือว่ามันมันมันมีความสงสัยสงสัยสงสัยสงสัยลดแต่เป็น ouais. ความปรุง pues, แต่งหมดแต่ไอ like ้ร <mar> ู Oil ้ที่ถูกต้องก็คือรู้ที่เป็นพุทธะเนี่ยมันอีกตัวหนึ่งมันไม่ใช่ไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่ไอ้ตัวรู้แล้วมันมีความสงสัยรู้แล้วรู้แล้วก็บ่นว่าทำไมเป็นอย่างนี้รู้แล้วเป็นอย่างนี้รู้แล้วมันมันเสียใจไอ้ผู้รู้มันเสียใจรู้อะไรผู้รู้มันฟุ้งซ่านได้รู้อะไรผู้รู้มันน้อยใจได้ พอไปรู้อะไรได้อย่างใจเอ้ผู้รู้มันดีใจเบิกบานเลิงล่าได้อันเนี้ยมันเป็นผู้อันเนี้ยมันเป็นวิญญาณอาคารเป็นผู้รู้ที่ปรุงแต่งมันเป็นขันธ์หน้าแต่ผู้รู้ที่เป็นพุทธะหรือจิตเดิมแท้เนี่ยมันไม่ปรุงแต่งมันไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยมันเป็นใจที่สงบว่ามันอยู่เฉย ใจมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยใครจะปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปแต่ตัวมันไม่ปรุงแต่งรู้ที่เป็นพุทธะเนี่ยตัวมันไม่ปรุงแต่งเพราะมันเป็นวิสังขารหรือเป็นอสังขาตุธาตุคือปรุงแต่งไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไปถามให้พุทธะให้พยายามไม่ปรุงแต่งพุทธะเนี่ยไปเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ได้ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีในร่างกายเราเนี่ยมีอยู่สามส่วน ส่วนหนึ่งคือร่างกายที่ปรุงแต่งคือร่างกายเหานี่ที่ยืนเดินนั่งนอนกินกินขับถ่ายเนี่ยให้ตัวร่างกายกายเนื้อที่เราจับต้องได้เนี่ยมันเป็นตัวปรุงแต่งทํำไมเรียกว่าปรุงแต่งหรือว่าเป็นสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งเพราะว่ามันเป็นตัวปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วมันมีความไม่เที่ยงมีความแก่ความเจ็บความตายเซนทุกเซนมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาทุกเซนในร่างกายเรา เซลลนี้เกิดเสลลนี้ตายเซลลนี้เกิดเซลลนี้ตายเราจึงต้องกินอาหารเนี่ยกินอาหารกินสัตพืชากสัตว์กินน้ํากินลมหายใจกินออ ก, ออกซิเจนเข้าไปกินความร้อนเข้าไปทดแทนกับธาตุที่มันสูญเสียไปตลอดเวลาเพื่อมันไปสร้างเซลล์ใหม่อันเนี้ยร่างกายมันจึเป็นส่วนปรุงแต่งเพราะมันต้องมีการเติมอยู่ตลอดเวลา เติมธาตุสารอาหารไปแล้วมันก็สิ้นไปดับไปมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไอ้ร่างกายเนี่ยคจึงเรียกว่าเป็นสังขารปุงหรือว่าปุงแต่งเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปมีแล้วหายไปมีความแก่ความเจ็บความตายสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใดไม่คงที่สิ่งใดต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องแตกับสลายสิ่งนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา พระองค์ตรัสว่าควรหรือที่พวกเธอทั้งหลายจะไปยึดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเพราะมันของไม่เที่ยงถ้าเธอไปยึดกับของไม่เที่ยงยึดตัวเราเธอก็จะเอาตัวเราเนี่ยไปหลงยึดยึดผัวยึดเมียยึดลูกยึดพ่อแม่พี่น้องยึดสมบัติพัฒฐานที่มันเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดภายนอกเราทั้งหมดมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมด เมื่อเธอเอาใจของเธอไปยึดของไม่เที่ยงเธอก็ต้องมีความทุกข์ความเสียใจกับความผิดหวังไม่สมหวังไม่สมปรารถนามีความพัดภาคจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ในโลกมีความห่วงใยมีความกังวลเพราะเธอไปยึดกับสิ่งที่มันต้องแตกดับต้องทําลายต้องไม่ต้องเป็นของไม่เที่ยงเธอจึงต้องมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลา กลัวว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นกลัวเขาว่าจะเป็นอย่างนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เราไปทุกข์กับคนอื่นตลอดเวลาเพราะเราเอาไปยึดกับของไม่เที่ยงคนทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงยศดตาแหน่งลาบยดึดทรัสระเสริญทรัพย์ ส, พยสินเงินทองครอบครัวทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงมันต้องมีความพัดภาคจากคนที่รักสิ่งที่รักอย่างแน่แท้ไม่อาจดีเที่ยงได้เพราะ ทุกคนเป็นของไม่เที่ยงแต่เมื่อเราเอาใจของเราไปยึดของไม่เที่ยงความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นในปัจจุบันและย่อมเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนความเสียใจเมื่อคนที่รักต้องตายพัดภาคจากกันความเสียใจเมื่อสิ้นมีลาบดีใจเสื่อมลาบเสียใจได้ยศ ด, ดีใจเสื่อมยศเสื่อมตำแหน่งเสียใจ ได้โชคลาภสิ่งไรมาดีใจสูญเสียไปเสียใจมีละมียศมีมีสุขมีสรรเสริญมีมีเขาสารรเสริญเราก็ดีใจเขาชมชื่นใจพอเขาติหน่อยว่าหน่อยเสียใจมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุก เวลามีสุขก็โอ้ดีใจเลื่อมล่าพอมีทุกข์ก็เสียใจมีสรรเสริญมีนินทามีเขาชมหน่อยครูบาอาจารย์ชมหน่อยหรือใครชมหน่อยเขาชมหน่อยก็เลื่อมล่าแต่พอเขานินทาว่าร้ายหน่อยเสียใจติดอยู่ในโลกกระทำแปดโลกกระทำแปดขึ้นนลงๆเพราะไปยึดกับสิ่งที่ไม่เที่ยง โลกธรรมแปดเป็นของไม่เที่ยงมีลาบย่อมเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขย่อมมีทุกมีคนสรรเสริญย่อมมีคนนินทาพระพุทธเจ้าเลิศประเสริฐยิ่งกว่าใดใดในโลกยังไม่พ้นคนนินทาว่าร้ายได้นับภาษาอะไรกับเราที่เป็นปุถุชนย่อมไม่พ้นคนนินทาได้นี่ส่วนนี้เป็นส่วนที่ปรุงแตง่ง สิ่งใดในทุกสรรพสิ่งนอกร่างกายแล้วล้วนแต่เป็นของคงแต่งเป็นของไม่เที่ยงไม่อาจยึดมัน่นถือมั่นได้แต่เมื่อเธอยังไปยึดกับของที่ไม่เที่ยงเธอต้องเป็นทุกข์อย่างแน่นอนเมื่อมีลาบเธอต้องดีใจสุขใจเลิ่องลา่าเมื่อสิ้นลาบเธอจะต้องเสื่อมลาบเธอก็ต้องเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเมื่อได้ยศเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเธอก็มีความสุขใจดีใจเลิ่องลา่าเมื่อ สิ้นยศสิ้นตําแหน่งเผลอก็เสียใจทุกตอมใจเมื่อมีความสุขก็เลงล่าพราได้อย่างใจเมื่อไม่แดงใจมีความทุกข์ก็เสียใจเศร้าหมองเมื่อมีคนสรรเสริญเยินยอชื่นชมมีลูกน้องมีอะไรเยอะแยะบริวารเยอะแยะชื่นชมพอสูญเสียบริวารสูญเสียลาบยศตาแหน่งไม่มีคนชื่นชมไม่มีอะไรเลยมิได้คนตีฉินนินทาว่าลาย เสียใจเศร้านี่แน่เราติดอยู่ในโลกกะระทำแปดเพราะเราไปยึดกับของไม่เที่ยงพอาะร่างกายมันสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงก็ดีใจเพอหมอบอกว่าคุณจะตายแล้วเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นบ้าเลยเราเห็นกับตาผู้ปฏบิบัติธรรมนี่แหละเป็นบ้าเลยและผู้ปฏิบัติธรรมบางคนก็สติแตกไปเลย สติแตกปุ๊บไปเป็นเจ้าหญิงนิทาเป็นเจ้าชายนิทาไปเลยเนี่ยแหะอีตอนร่างกายสุขภาพแข็งแรงก็ประมาทยึดม่านถือม่านพอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายปุ๊บเลยสิ้นสติสมบดีพ์าคนสติแตกเป็นบ้าไปเลยทำใจไม่ได้พระพุทธเจ้าตัดแล้วว่าสิ่งใดภายนอกร่างกายทั้งหมดรวมทั้งร่างกายเราเนี่ย มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของไม่เที่ยงต้องแตกดับต้องทำลายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าไปยึดมันอย่าไปยึดภายนอกยึดหัวยึดเมียยึด ต, ตู้ยึดหลาายึดสมบัติปัดจ้องยึดเอาเป็นอาตายยึด ต, ตำแหน่งลาบยึดจนเอาเป็นนาตายที่สุดพอมันสิ้นไปเสื่อมไปเนี่ยเป็นว่าสติแตก เน right ี ies, ่ยปุ๊บไปเลยเราเห็นเนี่ยนั้นเนี่ยจะไปยึดกับของไม่เที่ยงสิ่งใดนอกร่างกายเราทั้งหมดมันเป็นของไม่เที่ยงยึดคูบาอาจารย์ยึดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ยึดว่าเราตาผาคตก็ไม่เที่ยงเป็นของไม่มั่นคงอย่ามายึดเรายึดคูบาอาจารย์พ่อแม่คูบาอาจารย์ก็เป็นของไม่เที่ยงอย่ามายึดคูบาอาจารย์ให้เอาทำ เอาทำก็คืออะไรให้เห็นทำว่าเป็นของไม่เที่ยงยึดไม่ได้เขาไปยึดถือไม่ได้งนั้นภายนอกเนี่ยเมื่อเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอะไรก็ยึดไม่ได้มันเลยหดตัวเข้ามาหาตัวเราไม่พุ่งสร้างออกไปในภายนอกหดเข้ามาหาภายในตัวเราไม่จิตใจไม่แกล่งออกไปยึดอะไรภายนอกเพราะว่าเห็นทุกสปปรรพสิ่งภายนอกล้วนไม่เที่ยงเสร็จแล้วก็มายึดตัวเรานี่ตัวกูตัวกูวุ่นวายกับตัวเราตัว ก, ตวกูตัวกูนี่แหละ แล้วที่สุดก็ไม่เห็นตัวกูก็ไม่เที่ยงอีกเห็นสังขารร่างกายไม่เที่ยงมีแต่ความสุดโซมีมแต่ความแก่ไปสู่ความเจ็บความตายที่สุดมันก็จะตายอยู่ลำบารลอแล้วทุกคนแต่เราก็ยังไปยึดมันอีกแล้วเอาตัวเราไปยึดคนอื่นอีกที่สุดเราก็ดับลงยึดใครก็ไม่ได้แดกใครไปก็ไม่ได้นี่จึงว่าร่างกายสังขารเราเป็นของไม่เที่ยงส่วนที่สองส่วนที่เป็น นามขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรู้สึกหรืออารมณ์ความจำได้หมายรู้ความคิดปรุงแต่งคิดปรุงปุงคิดวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้ลูกรสกลิ่นเสียงสัมผัสรับรู้ธรรมอารมแล้วเอามาคิดปรุงแต่งอยู่ในใจ เลยสภาพที่ไปรู้เนี่ยมันก็คือตัวเราเนี่ยเป็นคนไปรู้เพราะว่ามันมาปมันเอาตัวเราไปรู้แล้วมาปรุงแต่งอยู่ในตัวเราเอาตัวเราไปรู้แล้วมาปรุงแต่งอยู่ในตัวเราไอ้ผู้รู้ที่เอาตัวเราไปรู้แท้จริงมันเป็นวิญญาณนัขันพอเอาไปรู้อะไรแล้วมันก็มาปรุงแต่งที่บอกว่าคุณแดงถามว่ามันไปรู้อะไรแล้วมันก็มาโศกเศร้าบ้างมันหดหู่บ้างมันพอได้อย่างใจมันก็ อู๋เขาชมชาชาชมันก็ชื่นใจครูบาอาจารย์ชมก็ชื่นใจเลงล่าปรุงซ้านพอท่านติดหน่อยก็หดอู๋แห้งเดี่ยว ท, ท้อแท้อันเนี้ยมันเป็นตัวปรุงแต่งเราไปยึดเอาว่าเป็นเราเราไปยึดเอาตัวปรุงแต่งนี้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเลยคือเราไม่สบายใจเราสบายใจ เราผ่องใสจิตของเราผ่องใสจิตของเราเศร้าหมองแล้วเราไปยึดเอาตัวปุุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราพอมันไม่สบายใจเราก็ไปยึดวอามันเป็นตัวเราเศร้าหมองแล้วจิตเราเศร้าหมองไม่ผ่องใสเราต้องรีบแก้ไขต้องรีบทำความรู้สึกตัวพอมันดีใจมันได้อย่างใจปฏิบัติได้อย่างใจโล่งล่าเบิกบาน จิตใจของเราดีใจของเราดีพอมันไม่ดีไม่จะแดงใจหดอูแห้งเยี่ยวทอแท้โดนดุโดนว่าหน่อยใจของเราแห้งเยียวเราโดนดุโดนว่ามันมีเราปรุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราสิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไ ป, เปนเป็นเพียงนมานนมอาคัรนามธรรม ตัวตนมันไม่มีรูปร่างมันคงที่มันไม่มีมันเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นนามเป็นนามมันเป็นนามอาคารเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปแม้แต่วิญญาณาขันารที่ไปรู้อะไรมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปรู้ลูกเสียงกลิ่นรสปวดสะพ้าและไปรู้รำอารมณ์ไปรู้อาการต่างๆทางประตูใจ แล้วมันก็เข้ามาปรุงแต่งเนี่ยวิญญาณขัน์ก็มาปรุงแต่งคิดปรุงปุงคิดไปมีอารมณ์อยู่ในใจแล้วเสร็จแล้วมันก็ดับไปสุขบ้างทุกข์บ้างของใสบ้างเศร้าบ้องบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างมันก็คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดบุญบ้างคิดบาปคิดอกุศลบ้างมาแล้วแต่ปรุงแต่งไปไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรา พอ oh, มันไปรู้อะไ ร, ม, า ม, าระมันก็มาคิดปุงในใจคิดตัวอะไรก็คิดปุงในใจแล้วมันก็ดับไปคิดดีก็ ด, ด, ด, ใใ ja. ดับไปคิดชั่วก็ดับไปคิดเป็นกลางๆก็ดับไปคิดเป็นบุญก็ดับไปคิดเป็นกุศลก็ดับไปคิดบาปอะไรก็ดับไปใจดีก็ดับไปใจไม่ดีก็ดับไปใจพองใสก็ดับไปใจเศร้าหมองก็ดับไปอย่าไปแก้ไขอย่าไปแก้ไข ถ้าเราสติไม่ขาดอย่าไปแก้ไขเราแก้ไขเฉพาะตอนที่สติขาดไปมีอารมณ์ร่วมอินเข้าไปในสิ่งใดไปมีอารมณ์ร่วมกับความรู้สึกหรืออารมณ์ใดๆไปมีอารมณ์ร่วมกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับผลิภัพฑ์ที่มากระทบทางกายไปมีอารมณ์ร่วมกับอาการทางกายอาการทางใจเข้าไปมีอารมณ์ร่วม คือมันดีมันผ่องใสมันเบิกบานกายเบาใจเบาสุขใจเลื่องล่าเข้าไปกินไปผมมันไม่ได้ดีไม่สุขใจไม่ผ่องใสมันเศร้าหมองกดภูแห้งเหี่ยวก็จมไปกับมันอย่างเนียกว่ามันอินเข้าไปหลงเข้าไปต้องทําความรู้สึกตัวขึ้นมาคือสติมันขาดคือความรู้สึกตัวมันขาดก็ให้มันรู้สึกตัวขึ้นมาให้มันรู้สึกตัวขึ้นมา ฝกให้มันเนี่ยพอมันขาดมันอินไปกับรูปรสอินเสียงสัมผัสเสียสีทำอารมเนี่ยพอมันอินเข้าไปในความรักความชังอินเข้าไปในสิ่งที่พอใจไม่พอใจอินเข้าไปในสิ่งที่ถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยเข้าไปมีอารมณ์ร่วมต้องรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาอินทั้งฝ่ายดีก็ต้องรู้สึกตัวขึ้นมาอินทั้งฝ่ายไม่ดีไม่ถูกใจก็ต้องรู้สึกตัวขึ้นมาอินคือหลงเข้าไปมีอารมณ์ร่วม กับสิ่งที่ถูกใจพอใจเลื่อมล่าก็ต้องรู้สึกตัวขึ้นมากินเข้าไปในสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่พอใจหดหูแห้งเหงี่ยวจมแช่อยู่ตั้งหลายวันก็ต้องรู้สึกตัวขึ้นมาอันเนี้ยเฉพาะกรณีที่มันขาดสติขาดความรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ใช่ไปทำลายอาการต่างๆไม่ใช่ไปทำลายอาการต่างๆเพ่อให้ดี เราจะไปทําลายอาการที่ไม่ถูกใจเนี่ยทาลายไม่ได้เพราะมันเป็นทุกขเวทนาเราไปจับไปทําลายอาการที่ถูกใจให้มันเหลือแต่อาการที่ถูกใจซึ่งเป็นสุขเวทนาอย่างเดียวทําลายไม่ได้เพราะขันห้าเนี่ยมันมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอส่วนเวทนามันมีทั้งสุขเวทนามีทั้งทุกขเวทนาและอุตุกขมาสุขเวทนา มันมีทั้งอาการที่ถูกใจอาการที่ไม่ถูกใจและอาการที่เป็นกลางกาเราจะไปทำลายอาการที่มันไม่ถูกใจให้เหลือแต่ความสุขอย่างเดียวทุกไม่มีทำไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทำไม่ได้พระองค์ตัดกับพระอานนท์เองในคลิมานนทสูตรว่าเราตถาคตก็ทำไม่ได้ จะไปทําลายอาการทุกชนิดที่ไม่ถูกใจให้เหลือแต่อาการที่ถูกใจให้มีแต่ความสุขอย่างเดียวให้ทุกไม่มีอาการที่ไม่ถูกใจไม่มีเลยทําไม่ได้ใจไปบังคับพยายามปฏิบัติทุกวิถีทางให้เหลือแต่ความผ่องใสเศร้าหมองไม่มีเลยทําไม่ได้พระองค์ตัดไว้ในคิิมานนทสูตรกับพระอานนุนพระอนุพระอุปถากว่า เราตถาคตก็หลงเข้าใจผิดถึงหกปีเต็มๆคิดว่ามันกําจัดได้อาการที่ไม่ถูกใจเนี่ยอาการที่มันไม่ผ่องใสไ ม, งไม่โปรง่งไม่โลง่งไม่เบาไม่สบายเนี่ยที่มันอึดอัดคับข้องใจเนี่ยเราตถาคตคิดว่ากําจัดมันหมดไปได้ให้เหลือแต่อาการที่มันโปง่งมันโลง่งมันเบามันสบายมันว่างสุขอย่างเดียวเลยเนี่ย ที่สุดนั่นเหนือลึกว่ามันจะมีแต่ทำที่สุดแล้วที่สุดของการปฏิบัติมันจะเหลือแต่อย่างนี้อย่างเดียวอานนตถาคตเข้าใจผิดถึงหกปีเต็มคิดว่ามันทำได้ที่สุดแล้วมันทำไม่ได้จะไปทำลายสภาวะธรรมหรืออาการใดๆที่ไม่ถูกใจเนี่ยให้มันหมดสิ้นไป ให้เหลือแต่สภาวะธรรมที่ถูกใจเพียงอย่างเดียวมันทำไม่ได้ตถาคตทำไม่ได้หลงผิดอยู่หกปีเส็นจึงยอมปล่อยวางปล่อยวางสุขปล่อยวางความโกงอาการที่โกลงโล่งเบาสบายความสุขอย่างเดียวความผ่องใสอย่างเดียวคืนให้แก่ทุกไปปล่อยวางคืนให้แก่ทุกไป ให้เห็นว่าเขาเป็นสันท่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งมาเป็นของคู่กันของปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นของคู่กันมันต้องมีอาการคู่กันมีผ่องใสก็ต้องมีเศร้าหมองมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีโป่งโล่งเบาสบายก็ต้องไม่มีโป่งโล่งเบาสบายมีความรู้สึกวางว่างก็มีความรู้สึกแน่นอึดอัดทึบ มันเป็นของคู่กัรมีดีใจก็ต้องเสียใจมีรักมีชังมีสุขมีทุกข์มีพอใจมีไม่พอใจแค่เป็นอาการแบบนี้มันเป็นของอู้กันของตรงกันข้ามความรักความชังความพอใจความไม่พอใจความดีใจความเสียใจความของใสความเศร้าหมองความสุขความทุกข์ความดีใจเริ่มล่าความหดหูแห่งเดียวเหล่านี้มันเป็น เป็นเป็นอาการผูงแต่งมันเป็นของคู่กันแยกออกจากกันไม่ได้เพราะพุทธเจ้าพยายามแยกแล้วถึงหกปีเต็มแยกแต่แยกไม่ได้หรือที่ท่านกล่าวว่ามันเหมือนงูตัวเดียวกันอาการที่มันอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามมันเป็นหัวงูกับหางงูมันเป็นหัวงูกับหางงู เราจะอาการที่โปง่งโล่งเบาสบายผ่องใสใจเป็นตุกเลิงล่าให้ความเศร้าหมองความหงุดหงิดความลำคาญอะไรไม่มีเลยระคายเคืองในใจสักทดไม่ดีเลยเนี่ยไอเนี่ยเปรียบเหมือนหางงูถ้าเราไปจับหางงูเข้าเขาบอกว่าอย่าไปจับตรงหางงูเดี๋ยวหัวงูมาตวัดกับกระฉกตายเพราะ อาการฝั่งตรงข้ามมันอยู่ที่หัวงูพอเราไปยึดความสุขเข้าความทุกข์มันกัดทันทีเราไปยึดความผองใสความเศร้าหมองมันกัดทันทีเนี่ยทําไมใจจริงเศร้าหมองคนมาถามเลยเนี่ยทาไมมันใจมันเศร้าหมองอีกแล้วทําไมมันเศร้าหมองอีกแล้วทำไมมันหดหูอีกแล้วทําไมมันเบื่อเซ็งกุ้มอีกแล้วทาไมมันหดหูก็ไปยึดเอาฝ่ายที่เป็นสุขมันก็เลยไอ้ฝ่ายทุกข์เอามันก็เกิดขึ้นบ่อยๆแต่พอมัน อีฝ่ายตอนฝ่ายสุกเกิดขึ้นไม่มีใครโทษฝ่ายโป่งโล่งเบาสบายเกิดขึ้นไม่มีใครโทษแต่เพราอไอ้ยึดอันนั้นไว้มันก็เลยตอนเศ้าหมอเขาชอบมาถามทําไมเศร้าหมอทําไมมันหดหูและทําไมมันเบื่อเต็งกุ้มแลทำไมมันท้อแท้ถดถอยเอา้าก็มัไปยึดไอ้ไอ้ไอหางงูไว้ไอ้หัวงูก็กัดอะสิเราก็ไม่เข้าใจแต่เราไปโทษ เวลามันไม่โปร่งไม่โล่ง ไ, ไม่เบาไม่สบายมันหมุดหงิดมันลำคาญมันอาการที่มันมันเป็นทุกขเวทนาเนี่ยเราจะหมุดหิดลำคานไม่พอใจแล้วเราจะมุ่งไปกําจัดไปกําจัดอาการที่ไม่พอใจเช่นรู้สึกว่าไปแช่มันแย่มันจะตายแล้วเราก็มุ่งไปกําจัดที่อาการเนี่ยที่เราไม่พอใจ ถ่าเราเล่นเอาเิอเจ้าลอแบบนี้เราปฏิบัติผิดยงพลาดอย่างมหาหาต่อให้เรามุ่งกำจัดอาการที่ไม่ถูกใจอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถกำจัดมันออกไปได้ถ้าตาบดเรา ย, ยังยึดอาการฝ่ายตรงข้ามกับที่ไม่ถูกใจไว้คือเราไปยึดอาการฝ่ายที่พอใจที่ถูกใจไว้ อาการที่ไม่ถูกใจไม่พอใจมันจะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอเราก็ไม่รู้อันเนี้ยดังนั้นเวลาพอมีอาการที่ไม่ถูกใจมันแย่มันแย้มันเบื่อมันเซ็งมันท้อแท้มันหดหู่มันซึมเศร้ามันเศร้าหมองมันมีอาการใจหายหายแวบแวบมันมีอาการ เบือเต่งกุ้มมันมีอาการไม่โปง่งไม่โล่งไม่เบามันแนบรืออัดเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซนของคนคือเข้าไปมุ่งจัดการกำจัดตัวอาการเนี้ยโดยตรงเลยเข้าไปกิดเข้าไปจัดการเข้าไปฆ่าเข้าไปทำลายมุ่งแต่ทำลายอาการอย่างนี้อย่างเดียวพยายามปรับปรั บ, บ, บแต่งแต่งปรับปรับแต่งแต่งปรับปรับแต่งแต่งทำมาดูอย่างนี้เราบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันถ้าเราจะไปยุ่งกับอาการเหล่าเนี้ มันก็ไม่เลิกล่ะหรอกเล่นไม่เลิกมันก็จะเล่นไม่เลิกล่ไอ้โดนี้มันไม่มีทางหายไปไม่มีทางกําจัดได้เด็ดขาดถ้าเรายังไปยึดอาการไปตกข้ามไว้ไปพอใจไปชอบใจอาการไปตกข้ามไว้อาการที่ไม่ถูกใจย่อมเกิดขึ้นกับเราเป็นเอาตามตัวหลีกเลี่ยงไม่ได้ เหมือนกับเราไปจับหางูไว้มันก็ต้องดดวหัวงูกัดอยู่เป็นประจำเวลาปล่อยเนี่ยมันต้องปล่อยทั้งตัวทั้งสุขและทุกข์ทั้งอาการที่ถูกใจไม่ถูกใจทั้งความพอใจความไม่พอใจมันต้องปล่อยทั้งตัวเลยให้เห็นว่ามันเป็นสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงสังขารแต่ว่าสิ่งปรุงแต่งมันเป็นนามขัน อาการมันเป็นนมามขันมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งปรุงแตง่งแม้แต่วิญ ญ, ญาณขันเนี่ยที่ไปรู้อาการเหล่าเนี้ยมันก็เอาอาการเหล่าเนี้มาปรุงแต่งไว้ในใจต่อไปอีกเกิดวิญญาณตัวใหม่วิญญาณตัวใหม่ไปรู้อาการเหล่านี้มันก็ไปเอาอาการเหล่าเนี้เข้ามาปรุงแต่งพอใจไม่พอใจดิ้นรนผับไสอยู่ในใจเราขุกขักกูกขักขุกขักอยู่ตลอดเวลาเราจึงรู้มันได้ไงว่าเนี่ยในใจเราเกิดอะไรขึ้น แต่ความเข้าใจผิดพลาดมาหาคือเรากลับไปเอาอาการเหล่านั้นมาเป็นใจซะเป็นใจเราใจของเราว่าใจของเราไม่สบายใจของเราหดหูแหงเหนียวเบื่อเต็งคุ้มทอแท้ใจของเราแช่จะแย่จะตายแล้วเราต้องรีบจัดการเดี๋ยวเราจะตายเราปล่อยอยู่นี้เราจะตายแต่พอใจดี เดินว่มมาก็ดีก็ดาบเบิกบานหัวร็อกกัดกั ก, ก, ก, ก, กวเสิ็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องแหงเหี่ยวเพราะอะไรไปจับยึดไอฝ่ายดีไว้ยึดไอฝ่ายอาการที่ถูกใจไว้อาการที่ไม่ถูกใจก็ย่อมเกิดขึ้นมาเป็นเหงาตามตัว <S <S บบเป็นไปงูตัวเดียวกันหัวงูกะหางงูงงเราต้องเห็นว่าอาการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น ฝั่งฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นอาการฝ่ายที่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นอาการฝ่ายที่ไม่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เป็นอกุศลหรือเป็นกลางๆล้วนแต่เป็นสังขารปรุงแต่งเป็นนามขันที่วิญญาณเนี่ยมันไปรับรู้แล้วมันเอามาปรุงแต่งในใจแล้วมันกระดับไปแล้วก็ไปเกิดวิญญาณตัวใหม่มารับรู้ไอ้ที่ปรุงแต่งใหม่แล้วมันกระดับไป อันไหนปรุงแต่งใหม่แล้วอวิยาตัวใหม่มันก็ต้องมารับรู้ที่ปรุงแต่งใหม่แล้วก็ดับไปมันเกิดในใจดับในใจเกิดในใจดับในใจมันไม่ใช่ใจหรือจิตเดิมแผลส่วนใจเนี่ยมันรู้ว่ามีอะไรมาเกิดในใจดับในใจเกิดในใจดับในใจแต่ตัวมัน่ไม่เกิดไม่ดับใจหรือพุท ธ, ธะ หรือธรรมธาตุหลงตามหาโบาเรียกธรรมธาตุหรือนิพพานธาตุหรืออรหันธาตุหรือวิญญาณธาตุหรือสุญญาตาธาตุมีชื่อเรียกมากมายเลยหรือจิตดั้งเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแท้หรือหลวงปู่มัน่นโพเลตโตเรียกว่าถีติภูตังแต่ถ้าเป็นในชาติคนในชาติต่างๆ เขาคงมีชื่อเรียกอีกหลายภาษาแล้วแต่ว่าใครจะประเทศใดชาติใดก็จะตั้งชื่อมันแต่มันเหมือนกันหมดนีทุกชาติทุกชาติใดเรียกว่าอย่างไงก็ตามแต่มันคือส่วนที่สามส่วนที่สามที่มันเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างพุทธเจ้าตัดว่าไอ้ส่วนที่สามเนี่ยมันเป็นอะ สลีลังอสลีละเราเรียนเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ะสลีละแปลว่าอะไรสลีละแปลว่ามีรูปพัน์สันญานมีตัวตนใ ห, ให้รับรู้ได้ให้จับต้องได้ให้สัมผัสได้แต่เนี้ยมันเป็นอสลีละอสลีลังไม่มีรูปพันธสัญญาใดเลยเลยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกิรยิยาการใดๆเลยนั่นแหละ มันอยู่ในตัวเราอีกส่วนหนึ่งแต่มันรู้อะไรก็รู้เนี่ยว่าไอ้ว <worship> ิญญาณนัข <happening> ันเนี่ยมันไปรับรู้อะไรแล้วมันนามาปรุงแต่งอะไรในใจแล้วมันก็ไอ้วิญญาณตัวนั้นมันปรุงแต่งเสร็จแล้วมันก็ดับไปแล้วมันก็วิญญาณตัวใหม่ก็มารู้สิ่งที่มันปรุงแต่งในใจต่อๆไปเรื่อยๆวิญญาณมันเลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับวิญญาณนักขันเลยเกิดดับตลอดเวลาไปมันไปรู้อะไรทางไปรู้รูปมามันก็รูปมาปรุงแต่งในใจไปรู้เสียงก็เสียงมาปรุงแต่งในใจ ไปรู้กินมันก็กินมาปรุงแต่งในใจพอไปรู้กินอะไรปุ๊บมันก็มาปรุงแต่งในใจพอกลายเป็นสัมผัสอะไรมันก็มาปรุงแต่งในใจพอมันไปรู้อาการทางกายอาการทางใจใดมันก็มาปรุงแต่งในใจดังนั้นเนี่ยอาการเนี่ยทางกายอาการทางใจทุกชนิดไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจมันเป็นเพียงอายะตนะภายนอกฟังให้ดีนะพวกเนี้ย ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราไม่เข้าใจเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอายตนะเรื่องธาตุรู้เนี่ยเราพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะมันเป็นหัวใจคําสอนของพระพุทธาศาสนาคือธาตุขันอายตนะแล้วก็ธ า, าตุรู้เนี่ยหรือพุทธะหรือนิพพานถ้าเราไม่เข้าใจอันนี้มันพ้นทุกข์ไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้ดังนี้ยเราต้องเข้าใจว่า อะไรเป็นเป็นอายตานะภายนอกอายะตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิน่นรสผลท พ, พะสิ่งที่มากระทบผิวกายและก็ธรรมารมณ์ธรรมอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้ได้ทางประตูใจอาการที่ถูกรู้ได้ทางประตูใจทุกชนิดเรียกว่าธรรมอารมณ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารคือ ความรู้สึกหรืออารมณ์ทุกชนิดไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆแล้วก็สัญญาความจำได้ไมรู้แล้วก็สังขารคือความคิดปรุงปุงคิดคิ ด, คดปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้สามตัวนี่คือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเขาเรียกเจตสิกภาษ า, าพระอภิธรรมเรียกว่าเจตสิก เพราะพระอภิธรรมเขาเรียนอยู่สี่ตัวคือรูปจิตเจตสิกนิพพานรูปจิตเจตสิกนิพพานรูปก็คือร่างกายนี้นี่หรือสิ่งที่ถูกรู้ทางภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโสดทพะสิ่งที่มากระทบกายและก็ ทำอารมณ์สิ่งที่มาถูกรู้ได้ทางใจสิ่งที่ถูกรู้ทางอายตนะทั้งหมดเนี่ยอายตนะก็คืออายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นอายตนะภายในคือประตูนะไม่ใช่ว่าเป็นใจที่เป็นจิตเดิมแท้หรือธาตุเดิมแท้ชื่อมันจะซ้ําๆกันอายตนะภายในคือประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจ มันมีหกตัวประตูเนี่ยมันมีหก <Then> ประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายและก็ประตูใจมันมีหกเนี่ยหกตัวไอเนี่ยไอประตูใจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นใจที่เราพูดถึงไอใจที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นมันเป็นพุทธะเป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติไม่ใช่เป็นวิญญาณธาตุมันเป็นจิตพาธาสุญญตาธาตุเป็นธรรมธาตุ เป็นจิตตั้งเดิมแท้เป็นสีติภูตังและเป็นชื่ออะไรอีกมากมายแล้วแต่สมมุติฐานมันแต่หลายท่านเขาก็เรียกว่าใจหรือจิตตั้งเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแท้หรือวิญญาณดั้งเดิมแท้หรือเรียกคนญาณวิญญาณนัทภาพไอ้ส่วนร่างกายเนี่ยเป็นกายเนื้อมันเป็นรูปขันธ์และไอ้ส่วนที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไปรับรู้แล้วมาปรุงแต่งได้ในใจรับรู้แล้วไปปรุงแต่งได้ในใจเนี่ย อันเนี้มันเป็นมันเป็นนามขันมันเป็นส่วนที่ปรุงแต่งแต่แต่มันเป็นปรุงแต่งคือเป็นนามขันหรือเรียกว่าจิตตสังขารจิตตสังขารจิตแล้วก็สังขารสังขารปรุงแต่งคือเรียกว่าการปรุงแต่งทางจิตหรือจิตปรุงแต่งส่วนกายเรียกว่ากายปรุงแต่งหรือการปรุงแต่งกายแต่อันที่สามเนี่ยก็คือใจหรือจิตเดิมแท้ๆหรือใจดั้งเดิมแท้ๆที่มันมีตภาพรู้อย่างเดียวแต่ตัวตนมันไม่มี ลึกล้างมันไม่มีมันไม่มีอะไรเลยตอนนี้หลวงตาจะเรียกมันว่าใจกัแล้วกันให้มันให้เหลี่ยเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หละถ้าเรียกเรียกว่าใจเป็นภาษาไทยคนไทยจะรู้จักว่าใจแต่รู้ว่าใจที่พูดตัวเนี้คือจิตเดิมแท้วิญญาณดั้งเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแท้หรือพุทธะหรือธรรมธาตุหรือนิพพานธาตุหรืออรหันธาตุหรือสุญญาตาธาตุ จะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่มันคือความไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมีแต่รู้อย่างเดียวรู้อะไรอ่ะก็รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจไงก็คือรู้อะไรก็รู้ไอ้วิญญาณขันเนี่ยเวลามันไปรู้ทังไปรู้รูปภายนอกอายตนาภายนอกมันก็เอามาพูงว่ารักเขาชอบเขาชังรักหรือชังไปต้มนิ่งตีเตียนดินทาว่าล้านวิภาควิจารอะไรเขาอยู่ในใจเนี่ย มันเอาเข้ามาปรุงในใจใจมันก็เลยรู้ว่าเนี่ยไอเนี่ยไอวิญญาณาขันเนี่ยมันไปลากอะไรมาปรุงในใจแล้วเน่ยพอมันได้ยินหูไม่ได้ยินเสียงไอ้วิญญาณาขันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาอีกตอนที่วิญญาณาขันเกิดไปไปรู้ทางตาเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อมันว่าเอออะไรวะเอะ จักข um, uh, ู่วิญญาณเออจักขู่วิญญาณเนี่ยเขาเรียกว่าจักขู่วิญญาณพอวิญญาณขันเป็นไปรับรู้เสียงปุ๊บเขาเลยเรียกโสตะวิญญาณพอวิญญาณไปรับรู้ทางจมูกเขาเรียกว่าขานวิญญาณพอวิญญาณไปรับรู้ทางลิ้นเขาเรียกว่าชิวหาวิญญาณพอวิญญาณไปรับรู้ทางกายสัมผัสกับอะไรเรียกว่ากายยะวิญญาณพอวิญญาณมันไปรับรู้อาการเนี่ยไปรับรู้อาการทางใจเขาก็เรียกว่ามโนวิญญาณ ทำไมเขาตั้งชื่อวิญญาณมันแต่ละตัวแต่ละตัวเพื่ออะไรที่ก็เอาเอาประตูเนี่ยมาบวกกับเอาชื่อประตูเนี่ยมาบวกกับวิญญาณขันแล้วเรียกเรียกให้มันเป็นแต่ละตัวเพื่อเขาให้เห็นว่าไอ้วิญญาณขันแต่ละตัวที่มันไปรับรู้ทางตาหูจมูกนิ้วกายใจเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะมันไม่เที่ยงนะเพราะมันเอราอ้มันเกิดตัวนี้มันก็ไปเป็นตัวนี้เกิดตัวนี้มันก็ไปเป็นตัวนี้มันเกิดดับตลอดเวลา ละวิ ญ, ญาณาขันเนี่ยเมื่อมันไปรู้อะไรทั้งตาหูจหมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยมันก็ลากออกมาปรุงแต่งอยู่ในใจเวลามันเกิดไปคิดมันไปรู้อะไรทั้งตาหูจหมูกลิ้นกายใจมันไปคิดปรุงแต่งอะไรเป็นความพอใจไม่พอใจหมดจิดลำคาญเขาติฉินนิ น, นทาวา่าายแอบวิภาควิจารเขาแอบรักแอบชงังแอบพอใจไม่พอใจอะไรเนี่ยมันก็ปรุงที่ไหนแล้วมาปรุงที่ในใจเรานี่แน่ใจมันเป็นธาตุรู้ ที่ไม่มีตัวตนหามันไม่เจอเหรอกในตัวเราอะแต่มันอยู่ในตัวเรานี่แหละแต่เราหามันไม่เจอไม่ใช่ว่าเป็นดวงเป็นก้อนเป็นเป็นหัวใจที่เป็นกายเนื้ออะไรนี่มันอยู่ในตัวเรานี่แหละแต่เมื่อไอวิญญาณนขันเนี่ยมันไปรู้อะไรแล้วมันลากมาปรุงอยู่ในใจเราไอ้ใจมันก็เลยรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจมันปรุงว่ายังไงมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีความสุขใจไม่สุขใจมีความผ่องใสมีความเศร้าหมองมีความเบิกบานเลิศล่า มีความหดหู่แห้งเหี่ยวท้อแท้เบื่อเซ็งกุ้มใจให้หายแวบบมันเป็นวิญญาณนักขันเนี่ยมันไปรู้อะไรแล้วมันเอามาปรุงมันไปรู้ความคิดแล้วมันก็มาปรุงมันไปรู้เวทนามันก็มาปรุงไปรู้สัญญาจับได้ไหมรู้มันก็มาปรุงมันมันรู้ทั้งรูปรู้ทั้งเสียงรู้ทั้งกลิ่นรู้ทั้งรสรู้ทั้งสิ่งที่มาสัมผัสกายแล้วมันรู้ทำอารมณ์ก็คือมันรู้เวทนาที่เกิดขึ้นด้วยคือเวลามันรู้อารมณ์ที่พอใจ อารมณ์หรือความรู้สึกใดที่มันโหยโปรงโล่งเบาสบายว่างเปล่าดีใจเลื่อล่าไอ้วิญญาณขันเนี่ยมนโนวิญญาณเนี่ยมันไปรู้อารมณ์เหล่านั้นมันเอามาปรุงแต่งในใจต่อเลยเป็นความสุขใจเลื่อล่าเบิกบานใจพอใจยิน ด, ดีไอ้ใจมันเลยรู้ได้เลยว่ามึงกําลังปรุงแต่งแบบนี้อยู่ในใจวิญญาณเน่ะมึงไปลากเอาเขามาไปลากอาการเหล่านั้นมาปรุงในใจ แต่อาการเหล่านั้นที่ถูกรู้มันเป็นอายะตนะภายนอกรำมาลมอาการที่ถูกรู้ได้ทางประตูใจเป็นอายตะนะภายนอกรูปเป็นอายตนะภายนอกเสียงเป็นอายตนะภายนอกกินเป็นอายตนะภายนอกสิ่งที่มาสัมผัสลิ้นเป็นอายะตนะภายนอกสิ่งที่มาสัมผัสผิวกายปวดสะพะเป็นอายตนะภายนอกทรมารมอาการที่ถูกรู้ทางประตูใจเป็นอายตนะภายนอกเขาจึงบอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโวดสะพะทรมาลมหกตัวเนี่ย มันเป็นอายตนะภายนอกถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องอายตนะภายนอกความเสียหายมันเกิดขึ้นอย่างไรคือเราจะไปเอาธรรมาลมที่เป็นอายตนะภายนอกเข้ามาเป็นใจเราใจของเราซึ่งเป็นนิพพานธาตุเป็นธรรมธาตุเป็นพุทธะมันเป็นคนละเรื่องเลยไอ้นี่มันเป็นอายตนะภายนอกกับเอามาเป็นใจเราใจของเราซึ่งเป็นพุทธะ เป็นนิพพานทาเป็นธรรมธาตุเป็นสุญญตาธาตุเป็นธาตุรู้เป็นจิต ด, ดั้งเดิมแท้จะเห็นว่ามันคนละเรื่องละลาวเลยที่ใจของเราไม่สบายใจของเราหดหู่แห้งเหี่ยวท้อแท้ใจของเราหายหายแวบๆบใจของเราเช่เราจะตายแล้ว อาการเหล่านี้มันไม่ใช่ใจอาการที่ถูกรับรู้ได้ทุกชนิดที่มันมีอาการฝ่ายตรงข้ามกันเนี่ยมันมีอาการที่เป็นของคู่ตรงกันข้ามได้เนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นธรรมาลมเป็นอายตนะภายนอกสิ่งไรมัางเล่าที่เป็นอายตนะภายนอกก็คือเวทนาเนี่ยเป็นอายตนะภายนอกมันเป็นขันห้าแต่แท้มันยังเป็นอายตนะภายนอกเลย เพราะว่ามันถูกรับรู้ได้ทางประตูใจเวทนาไม่ว่าจะถูกเวทนานั้นจะถูกใจเป็นอาการที่ถูกใจโป่งโรคเบาสบายกว้างว่ า, วาเบิกบานเลื้องล่างอะไก็ตามมันเป็นอายตนะภายนอกอาการที่ไม่โป่งไม่โรคไม่เบาไม่สบายมันแน่นอึดอัดอึดอัดทุกข์ขับคล้องใจไม่สบายแห้งเี่ยวอะไรก็ตามแช่แย้มันเป็นทุกขเวทนามันเป็นอายตนะภายนอกที่ถูกรู้ได้ทางประตูใจมันไม่ใช่ใจ ใจเนี่ยใจแท้แทดั้งเดิมแต่แท้มันคือพุทธะคือนิพพานธาตุเป็นสุญญตาธาตุเป็นอรหันธาตุเป็นธรรมธาตุมันไม่มีตัวตนไม่มีลูกล่าไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่ให้ถูกลับรู้ได้ทางประตูใจจะเอาตาเอาหูเอาจมูกไปเอาประตูตั้งประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจเนี่ย ไปรับรู้ใจดั้งเดิมแท้ๆหรือจิต ด, ดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยไม่ได้เพราะตาเนี่ยมันรู้ได้แต่ลูกหูมันรู้ได้แต่เสียงจมูกมันรู้ได้แต่กลิ่นลิ้นมันรู้ได้แต่รสร่างกายมันรู้ได้แต่ผลพั พ, พสิ่งที่มากระทบกายแล้วก็ประตูใจเนี่ยมันรู้ได้แต่ธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารคือรู้ความคิดปรุงปรุงคิดรู้อารมณ์ต่างๆ แต่มันไม่สามารถประตงทั้งหกประตูเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมารับรู้ทางประตูไม่ไม่สามารถมารู้ใจเดิงเดิมแท้แท้หรือจิตตั้งเดิมแท้แท้ได้ดังนั้นในจิตตั้งเดิมแท้แท้เนี่ยมันเลยไม่สามารถที่จะหามันได้เพราะสิ่งไรที่เราจะไปหามันพบได้เราต้องเอาตาไปหามันเช่นเราบอกว่า ให้คนคนหนึ่งเนี่ยเราจ้างคนคนหนึ่งหรือให้คนคหนึ่งเนี่ยใช้คนหนึ่งเนี่ยไปหาอะไรให้เราหน่อยสิถ้าไปหาเนี่ยมันต้องไปหาสิ่งที่มีสิ่งที่สัมผัสได้ไปหาลูกไปหาได้หาเสียงหาจินหาหารสเปลี่ยวหวานมันเค็มหามาได้หาสิ่งที่มาสัมผัสผิวกายหาได้ไปหาสิ่งที่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ดีใจเสียใจมันแสดงได้ หามาได้สุขใจเศร้าใจมันแสดงได้หามาได้เฮ้ยดาราเนี่ยมันบีบน้ําตาแป๊บเดียวร้องไห้ได้แล้วแล้วขนาดร้องไห้แป๊บเดียวพิกับไป่ดีหัวเราะได้แล้วมันตีหลายหน้าได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวเดี๋ยวเบิกบานเดี๋ยวอิจฉาทาหน้าหน้าอิจฉาริษยาน้ําตาไหลคว่ำๆทำหน้าร้องไห้เสียใจดารามัาทาหน้าเนี่ยแป๊บเดียวนั่นแน่เปลี่ยนหน้าได้หลายหน้าเลยแน่แน่มันก็จะหาได้มันแสดงได้หลายหน้า แสดงตามอารมณ์เลยตามความรู้สึกดังนั้นนอารมณ์หรือความรู้สึก่ะมันเป็นอายะตนะภายนอกที่ถูกหาได้มันสามารถถูกหาได้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้ ง, ป ร, งประตูตั้งหกแต่ใจหรือจิตดั้งเดิมแต่แฉไม่อาจหามันได้ในทั้อายตนะทั้งหกนั้นเพราะมันเป็นของไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่ ว่าไะพุทธเจ้าสอนไวไงพุทธเจ้าไปพบก่อนแล้วตัดไปว่าเนี่ยมันมีอยู่นะมันมีตัวตนก็จริงอะ่ะแต่มันมีรู้อยู่มันมีรู้อยู่ตัวตนมันไม่มีรูปร่างไม่มีไม่มีกิริยาการใดๆเลยแต่มันรู้กิริยาการทุกอาการที่มาเกิดขึ้นในใจและดับไปในใจกิเลสอะไรมาเกิดขึ้นในใจแล้วกระดับในใจเนี่ยไอ้ใจนะ่ยรู้อยู่ตลอดเวลาเลยมีอารมณ์อะไรมาเกิดขึ้นในใจใจมันรู้ตลอดเวลาเลย มันเรรู้อะไรเกิดดับไปเกิดดับไป ม, มันรู้ว่าวิญญาณขันเนี่ยไปรู้อะไรรู้ปุ๊บมันก็ลากข้ามาปรุงแต่งในใจไปรู้เสียมันก็ลากข้าปรุงแต่งในใจพอไปรู้กลิ่นมันก็ลากข้าปรุงแต่งในใจพอไปรู้รสมันก็ลากข้าปรุงแต่งในใจไปรู้สิ่งที่สัมผัสมาล่าเข้ามาปรุงแต่งในใจสําคัญที่สุดมันไปรู้ธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์คือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยซึ่งเป็นนามขันเนี่ย มันเป็นอายตนะภายนอกไอ้สามตัวเนี่ยเป็นธรรมอารมณ์ภายในะภายนอกมันไปรู้แล้วมันยังเอามาปรุงแต่งในใจเลยดังนั้นในอายะตนะภายนอกไอ้เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเป็นเวทนามันจึงไม่ใช่ใจแต่วิญญาณขันเนี่ยมันเป็นรับรู้เวทนาสัญญาสังขารซึ่งเป็นนามขันเนี่ยแล้วมันเอาเข้ามาปรุงแต่งในใจว่าพอใจไม่พอใจดิ้นหล่นผักใสสิ่งใดพอใจอยากจะเอาไว้สิ่งใดไม่พอใจดิ้นหลนผักใส มันกลัวว่ามันจะตายมันปุงใหญ่มันปรุงใหญ่หรือว่าเราแช่แล้วเราจะตายแล้วเราธาตุใแย่เนี่มันปรุงใหญ่เลยนะใจมันก็รู้ว่าไอ้เนี่มันมันปุงใหญ่เลยมันกลัวตายมันปุงใหญ่เลยมันหาวิธทางปรับปรับแต่งแปรับปรับแต่งแต่งปรับแต่งแต่งใหญ่เลยว่าไงไอ้ปรับแต่งแต่งนั่นมันคือมันตัวปุงแต่งมันเพื่อจะช่วยตัวมันเองให้มันไม่ตายแต่ไอ้ใจเนี <_ kadın Hampshire> ่ยมันก็ได้แต่รู้ว่าไอ้นี่ยปรับปรับแต่งแต่งตลอดเวลาเลย แต่ใจ mm hmm. มันไม่ได้มันไม่ได้มีอาการอะไรด้วยมันไม่ได้ปรับแต่งอะไรด้วยมันได้แต่รู้อย่างเดียวมันได้แต่รู้อย่างเดียวได้แต่รู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวและใจมันไม่มีตัวตนมันเป็นความไม่มีปรุงแต่งมันไม่มีกริยาการได้เลยความที่เหตุที่มันไม่ไม่มีตัวตนไม่ปรุงแต่งไม่มีกรายาการเลยมันจึงเป็นฝ่ายที่สงบเงียบ ไม่มีความกระเพื่อมไม่มีความวัดไหวไม่มีความปรุงแต่งใดๆตลอดกาลและมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาลเพราะว่าคุณสมบัติของมันมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราเอาขันห้าไปปรุงแต่งให้ใจไม่กระเพื่อมฟังให้ดีนะตรงนี้ไม่ใช่เราพยายามเอาขันห้าเนี่ยไปพยายามปรุงแต่งให้ใจไม่กระเพื่อมให้ใจไม่มีอาการให้ใจมันสงบว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลาที่หลายคนทา หลายคนพยายามจะไปทำให้ใจมัน Compl. โป่งโลกงเบาสบายเอาขันห้าพยายามไปปรป glaub, ับปรับแต่งแต่งช่วยให้ใจสบายโป่งโลกงเบาสบายช่วยให้ใจว่างๆช่วยให้ใจเนี่ยปรุงแต่งช่วยให้ใจมันสงบช่วยให้ใจมันนิ่งๆช่วยให้ใจไม่กระเพื่อมข้าใจเนี่ยหรือจิตใจดั้งเดิมแต้เนี่ยหรือจิตดั้งเดิมแต้เนี่ยมันพูดได้มันจะบอกว่ามึงอยามาช่วยกูได้ไหม กูนะ่ะไม่มีอาการอยู่แล้วกูไม่กระเพื้อมอยู่แล้วกูไม่วันไหวอยู่แล้วกูมีความสงบตลอดการมึงอย่าเข้ามายุ่งกับกูได้ไหมมึงอยาเข้ามาช่วยใช่ไหมไอตัวยุ่งอีสุดก็คือมึงไม่ใช่กูใจมันพูดได้มันจะพูดอย่างเงี้ยมึงอย่าหาเรื่องมาช่วยกูได้ไหมว่าไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะช่วยใจตลอดเวลาเลยให้มันไม่สบายอีกแล้วมันไม่สบายพยายามช่วยมันมันแช่เดี๋ยวมันจะตายใจบันแช่แล้วหรือจิตบันแช่แล้วเนี่ย มันจะตายมันจะมันจะแย่แล้วไปหาทางช่วยมันตลอดเวลาเลยใจมันมึงอย่ามาช่วยปู่เดี๋ยวมึงอะยุ่งที่สุดเลยมึงมาช่วยกู่อะไรมึงยุ่งที่สุดเลยเนี่ยถ้าเราเนี่ยเข้าใจแบบเนี้ยเออเราก็ไม่ต้องไปช่วยใจเพราะฉะนั้นไอ้ความที่ตัวเราเนี่ยปรุงแต่งตัวเราคิดตัวเรานึกตัวเราตึกตัวเราตองตัวเรามีอารมณ์อย่างนั้นเว่อเว่อเว่อสบายใจไม่สบายใจผ่องเสาเส้าหมองเนี่ย ไอเห็นว่าไอตัวนี้มันเป็นสังขารปรุงแต่งมันเป็นตัวปรุงแต่งมันเป็นธรรมารลมที่ถูกรู้ได้ทางประตูใจรู้ได้ทางมโนวิญญาณมันเป็นธรรมารลมมันเป็นอายาตนะภายนอกที่ถูกรู้ได้ทางประตูใจไอประตูใจเนี่ยมันเป็นอายาตนะภายในประตูใจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นใจไม่ใช่เป็นใจที่ไม่ปุงแต่งไม่ใช่เป็นใจที่เป็น ใจดั้งเดิมแต่แท้หรือจิตดั้งเดิมแต่แท้ที่เป็นนิพพาน่านประตูใจเนี่ยเขาก็ยังเถียงเถียงกันอยู่ว่าให้ประตูใจมันอยู่ตรงไหนอ่ะเขาก็เถียงกันว่าประตูใจอยู่ในสมองประตูใจเนี่ยอยู่ในสมองแต่บางท่านก็บอกว่าประตูใจเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจอยู่ที่หัวใจหัวใจหัวใจเรานี่ยหัวใจที่เป็นหัวใจเนื้อเนี่ยบางทีเขาก็บอกว่ามันอยู่ที่หาไทย อาไทยออหาไทยมันก็แปลว่าใจแต่สรุปแล้วคือไม่มีใครเห็นประตูใจเลยแต่ก็คือรู้ว่ามีประตูใจก็แล้วกันไอวิญญาณขันนี่มันเป็นรู้ผ่านประตูใจพุทธเจ้าตัดไว้ไงแต่พุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าประตูใจอยู่ตรงไหนก็เลยมก็เถียงกันอยู่ทุกวันเนี้แต่เรียกวันประตูก็แล้วกันมันไม่ใช่เป็นใจไม่ใช่ใจดั้งเดิมแท้ๆก็แล้วกันเอาว่าไร ทำไมถึงบอกว่าประตูแยกกับใจดั้งเดือประตูใจแยกกับใจดั่งเดือบแทะเพราะไอ้ตาหูจมูก ล, ลิ้นกายและประตูใจมันเป็นสิ่งที่ดับอายะตนะภายนอกอายตานะภายในยเป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นสิ่งที่แตกดับทำลายเมื่อถึงความตายอันไอ้ธรรมอารมณ์เนี่ยไอ้สิ่งที่ถูกรู้ทางประตูใจเนี่ยที่เป็นเวอายตานะภายนอก ทำอารมณ์เนเป็นอายารรนาภายนอกเพราะมันสูกรู้ทางประตูใจมันเป็นเวทนาสัญญาสังขารมันเป็นขัดหน้ามันเลยเกิดดับได้ไงมันแตกหนับแล้วทําลายได้อายาภายนอกภายนอกมันเลยเป็นของไม่เที่ยงเกิดดับรวมทั้งรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพะและทำอารมณ์ทุกชนิดทั้งสิ่งได้ภายนอกร่างกายเราและเวทนาสัญญาสังขารคืออาการทุกชนิดภายในใจเราเป็นสิ่งไม่เที่ยงเกิดดับเป็นของไม่เที่ยงเกิดดับทําลายรวมทั้งอายนาภายในตาหู ประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายและก็ประตูใจเป็นสิ่งที่ต้องดับไปมาถึงแก่ความตายเหลือหนึ่งเดียวที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นอมตะตลอดกาลตั้งแต่ดึกดำบรรมาตั้งแต่ชาติแรกๆกันจนถึงชาติในปัจจุบันและเป็นอนันต์เป็นอนันตการคือใจดั้งเดิมแท้หรือจิตดั้งเดิมแท้ไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่เคยทําลายเพราะตัวตนมันไม่มีมันไม่มีกิริยาการใจมันจึงไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่แตกไม่ทําลาย ดังนั้นในใจดั้งเดิมแต่แฉะมันจึงเป็นความสงบเป็นความสงบเพราะอะไรมันไม่มีอาการอะไรกันมันเลยเป็นความสงบไม่ใช่เราไปทำให้อาการมันสงบแต่ตัวมันเนี่ยมันไม่มีอาการเลยเป็นความสงบไม่ใช่เราไปทําให้อาการสงบแล้วจะถึงเป็นใจไม่ใช่หลายคนพยายามไปปรุงแต่งนั่งนั่งสมาธิเดินจงกรมพยายามไปทําทให้ตายทําให้อาการมันสงบ <és S 1> เพื่อให้เป็นใจมันไม่ใช่ปรุงแต่งให้สงบยังไงไม่ได้เป็นใจได้หรอกเพราะว่าธรรมชาติของใจมันคือความไม่มีอาการมันเลยเรียกว่าความสงบจากอาการสงบจากความปรุงแต่ง ธรรมชาติของมันเป็นความสงบจากความปรุงแต่งสงบจากอาการเป็นความว่างเปล่าจากอาการว่างเปล่าจากความปรุงแต่งอยู่แล้วไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวเมนมันเป็นตัวพื้นฐานอยู่ในใจเราอยู่ในกายเราอยู่ในในในในขันท่าของเรานี่แน่แต่ส่วนปรุงแต่งมันก็ยังปรุงแต่งอยู่คือกายก็ต้องกินเดินนั่งนอนขับถายมันยังเป็นกายที่ปรุงแต่งอยู่มันไม่แตกไม่ดับไม่ทาลายหรอกมันยังไม่ถึงข่าวตาย ไอ้ส่วนนำมาขันที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันเดี๋ยวอารมณ์ถูกใจบ้างอารมณ์ไม่ถูกใจบ้างความรู้สึกถูกใจบ้างความรู้สึกไม่ถูกใจบ้างเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดปืนบ้างคิดกลางๆบ้างโปล่โรคเบาสบายบ้างไม่โปล่โรคเบาสบายบ้างปวดผูท้อแท้ซึมเศร้าบ้างคล่องสายบ้างอะไรเหล่านี้ยมันเป็นสิ่งที่แตกดับทําลายเลือหนึ่งเดียวที่ไม่แตกไม่ดับทําลายนั่นแหละคือใจดั้งเดินแท้ คือความที่ไม่ไม่เคยปรากฏอาการใดๆเลยไม่กระเพื่องไม่หวั่นไหวไม่มีอะไรเลยมันเป็นด้วยตัวของมันเองไม่ใช่เราไปช่วยมันไอเรานี่ที่เราพยายามไปช่วยมันมันเอาอาขันห้าไปปรุงแตง่งเราไปเอาเข้าใจไอไอปรุงแต่งไองตัวขันห้าเนี่ยเป็นตัวเรายันเลยแล้วเราก็จะเอาตัวปรุงแต่งขนันห้าไปช่วย้ตัวไม่ปรุงแตง่งไปช่วยได้ยังไงแล้วนั่นจงบอกว่าใจดั้งเดิมจะแท้แล้วมันพูดได้เมือเงยอย่ามาช่วยคูดได้ไหม มึงยุ่งที่สุดเลตัวปรุงแต่งในตัวขันน้ำยุ่งที่สุดเลยมึงเนี่ยมึงยังพยายามจะหาทางมาช่วยกูอีกกูเนี่ยเป็นตัวไม่ปุงแต่งกูมีความสุขตลอดกาลนิพพานังปลมังสูญยางนิพพานังปลมังสุขขังเว่ามันเป็นนิพพานพาตมันนิพพานังประมังสูญยางมันเป็ความว่างเปล่าจากความปรุงแต่งใดๆนิพพานังปลมังสุขขังมันที่เป็นความสุขตลอดกาลคือความสุขที่เกิดจากการไม่ปุงแต่งไม่ใช่เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นสุขคือความสุขที่ไม่มีความทุกข ไม่มีความปุงแต่งใดๆมันเลยเป็นความสุขแต่ไม่ใช่ว่าสุขแบบที่มีเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์หรือเรียกว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบเป็นไม่มีนี่แน่คือปนิพานแต่ความสงบอันนี้มันคือความสงบที่เป็นนิพพาน่าสุญญาตาธาตุ เป็นจิตดั้งเดิมแท้ๆใจดั้งเดิมแท้ๆหรือถีติปูต่างของหลวงปู่มมั่นพระแม่ครูบาลอาจารย์ใหญ่มันไม่ใช่ไปนคนเหมือนกับคนทั้งหลายที่ไปทําให้ใจมันสงบในขั้นสัมมาทัหรือไปทําให้อาการมันสงบหรือไปไล่ดับความคิดให้มันไม่มีหรือหลายคนไปไล่ดับความคิดทําให้ความคิดไม่มีเพื่อไปถึงใจที่มันว่างเปล่าพยายามไล่ดับความคิดเยอะอยู่แ น, น่ให้ความคิดมันไม่มีแ ล, แล้วเข้าใจว่าตาความคิดไม่มีแล้วจําจะว่างเปล่า หรือหลายคนไปไล่ดับอาการกระเพื่อมของใจพยายามทําให้ใจไม่กระเพื่อมเมื่อให้มันเนี่ยพอใจไม่กระเพื่อมมันจะได้ไปเป็นใจที่ว่างเปล่าไปเป็นพุทธะไปเป็นใจที่บริสุทธิ์ที่สะอาดบริสุทธิ์หรือหลายคนก็พยายามปฏิบัติโดยการที่ว่าไปจับช่องว่างลอยต่อระหว่างความคิดของความคิดความคิดที่หนึ่งจับไปจะเกิดความคิดที่สองมันจะต้องมีช่องว่างแล้วค่อยล่างจับไล่จับช่องว่างให้ดีๆ หรือหลายคนก็พยายามไปไล่จับวิญญาณนักขันว่าวิญญาณนักขันตัวนี้ดับไปตัวที่หนึ่งดับไปเกิดวิญญาณตัวนักขัตัวที่สองมันจะต้องมีช่องว่างระหว่างขันห้ากระบวนการทํางานของขันห้าอันแรกกับกระบวนการทํางานของขันห้าอันที่สองคือวิญญาณนักขันตัวแรกดับไปเกิดวิญญาณนักขัตัวที่สองเนี่ยมันจะต้องมีช่องว่างแล้วไปไล่ดับช่องว่างตรงเนี้มันจะไปใกล้ดับยังไงทันเพราะมันเป็นขันห้ากระบวนการเกิดจับมันเร็วมากในกรณีหนึ่ง อีกกรณีหนึ่งถ้าเราไปไล่ไล่จับความว่างมันก็มีตัวเราเนี่ยไปยึดความว่างไปไล่จับความว่างไล่พุงแต่งที่จะเอาความว่างมันก็เลยกลายเป็นมีตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องว่างอ้องเนี้ยมันก็เลยไม่ว่างเนี่ยความไม่เข้าใจตรงนี้ก็เลยปฏิบัติการปุกปุบิดปิดประตูเปิดปิดด้วยเหตุปัจจัยทั้งหมดที่เราพูดเนี่ย เพราะความไม่เข้าใจตัวเดียวอวิชชาอาวิชชามันไม่เข้าใจธรรมชาติความจริงสัฏฐธรรมความจริงตามคําสอนพุทธเจ้าพระุทธเจ้าธรรมชาติสัฏฐธรรมความจริงมาสอนมันไม่ได้เป็นเอาอย่างอื่นมาสอนเลยเป็นสัมปทานความจริงที่มันมีอยู่แล้วในร่างกายในจิตใจเราเนี่ยเพราะใ น, นร่างกายจิตใจเรามันมีสามส่วนร่างกายส่วนที่เป็นกายเนื้อมันปรุงแต่งมันต้องเกิดดับต้องแก่ต้องเจ็บต้อง ต, องตายต้องผุพังสลายไป ไอ้ส่วนที่เป็นจิตใจที่ปรุงแต่งเป็นความรู้สึกตึกคิดอารมณ์การจำได้หมายรู้การรับรู้ต่งตางๆหูจมลิ้นกายใจวิญญาณนักขันเนี่ยมันเป็นสิ่งปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปไมีแล้วหายไปเหลืออีกอันหนึ่งที่มันไม่ปรุงแต่งมันเรียกวิสังขารสังขารตธาตุหรือวิญญาณธ า, าตุธาตุรู้ตามธรรมชาติหรือเรียกว่าพุทธธหรือธรรมธาตุหรือนิพพานธาตุอหรหันธาตุเรียกอะไรก็ได้มันตั้งชื่อขึ้นมาไะสมมุติขึ้นมาเรียกจิติภูตังน่ะจะบุกมัน พอแม่วาจาให่แตวู่มาเรียกผู้ติถิ่นผู้ติถิ่นผู้ต่างนี่เป็นชื่อสมมุติไงแต่คือมันคือส่วนที่ไม่ปรุงแต่งแล้วกันหรือเรียกว่าใจหรือจิตดั้งเดิมแท้แล้วท่านก็กล่าวว่าหลวงตามหาบูวก็กล่จวไว้ชัดมากกล่าวไว้ชัดมากหลวงปูเทศก็กล่าวไว้ชัดหลวงพ่อลีวัตถโศการามก็กล่าวไว้ชัดมากหลวงปู่ดูนัตุโลก็กล่าวไว้ชัดมากว่าพุทธะหรือ ใจหลวงปู่ดูละโตเรียกว่าพุทธะหลวงปู่ม่นเรียกว่าเพราะเพราะแม่กวนใจเรียกเรียกว่าอิติปูตังหลวงปู่เทศเสด็จสีเรียกว่าใจหลวตามหาบูเรียกว่าธรรมธาตุหรือเรียกว่าใจเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยเรียกไม่เหมือนกันก็จริงแต่มเรียกว่าไอ้ส่วนเนี้ยท่านกล่าวไว้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่ขันธ์ห มันไม่ใช่ขันฮะมันไม่ใช่ส่วนที่ปรุงแต่งไอ้ส่วนนี้มันเป็นส่วนไม่ปรุงแต่งมันมีอยู่แล้วของมันโดยธรรมชาติแต่เราเนี่ยหลงไปปรุงแต่งซะเราหลงไปเป็นตัวปรุงแต่งลงคิดหลงนึกหลงไปจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกที่เราเนี่ยไม่ถูกใจเราจะจัดการทํำลายให้มันหายไปเราจะไปไปคว้าเอาอาการที่ถูกใจที่สบายใจที่โปร่งที่โล่งที่เบาที่สบายที่มันไม่แช่ เอามาให้แก่ตัวเราเราเลยลงไปเป็นตัวปรุงแต่งไปเป็นสังขารปรุงแต่งแล้วเราไปดิ้นหลอนผักใสเขียดจิตอยมุ่งทําลายแต่อาการที่ไม่ถูกใจอาการที่มันแช่อาการที่มันแย่อาการที่มันใจหายๆแหวๆอาการที่มันเศร้าหมองที่มันไม่ที่มันมันมันไม่ผ่องใสเรามุ่งจะไปจัดการแต่อาการนั้นแล้วจะไปเอาแต่อาการที่ถูกใจมันก็เหมือนมือเราสองข้างเนี่ยเกี่ยวกันไว้ที่เรา เราแชร์ไปปางปฐมประเทศนาเนี่ยที่พุทธเจ้าเกี่ยวมือสองข้างไว้แล้วมือหนึ่งผักออกนอกตัวอีกมือหนึ่งความเข้าหาตัวเนี่ยมันไม่มีคําเขียนคําสอนในไหนแต่เราแปดเราเราดูปุ๊บมันเข้าใจถึงใจว่าพระองค์กําลังสอนว่าถ้าคุณทําแบบเนี้สิ่งใดที่คุณถูกใจคุณจะเอาเข้าหาตัวไว้คือมือหนึ่งเนี่ยมันเข้ามันเข้าหาตัวปางปฐมประเทศนาเนี่ย แต่ถ้าสิ่งใดที่คุณไม่ถูกใจเนี่ยคุณผลักออกไปคุณพยายามผลักออกไปก็เลยเป็นฝ่ามือที่หันออกไปนอกตัวแล้วอีกฝ่ามือ น, งาาาาออนึงเนี่ยหันก็หาตัวคว่ำเข้หาตัวอีกฝ่ามือนึงเนี่ยผลักออกไปอมันก็เลยสองมือพุทโธก็เลยเอามาเกี่ยวกันถ้าคุณยังทําอย่างเนี้ยมันเกี่ยวกันมันเกี่ยวกันทําให้เป็นพลุมันมันไม่สบายมันล้างกันอยู่นี่นะี่แหละ ดีรักชั่วชังเกียรตทุกรักสุขดีรักชั่วชังเกียดทุกรักสุขเนี่ยมันคุกหนอทุกหนักหนอทุกหนักหนอก็ตรงนี้เนี่ยดังนั้นเวลาปางตัดสรู้เนี่ยจิ้ปล่อยวางมือสองข้างลงแล้วมาเป็นปางสมาธิเนี่ยเนี่ยเอีเนี่ยเนี่ยพระประธานที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยเป็นปางสมาธิไม่ใช่หลับตานะคือปางที่ลืมตาธรรมดาแล้วก็วางมือลงตามปกติเนี่ยคือปล่อยวาง ดีรักชั่วชงังเกียรทุกรักสุขปล่อยวางอันนี้ไปซะเห็นว่าดีมันก็เป็นสังขารปรุงแตง่งข้อมันก็เป็นสังขารปรุงแตง่งสุขมันก็เป็นสังขารปรุงแตง่งทุกมันก็เป็นสังขารปรุงแตง่งจะไปยึดมานมันเป็นงูตัวเดียวกันหัวงูก็หางูอย่าไปจับเข้าวางมันปล่อยวางไปทั้งตัวดังนั้นปางศัตรูเนี่ยปางพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรมของเรานี่เนี่ยมือสองข้างเลยวางพับกันที่หน้าตัด แล้วไม่จะบอกไปหลับตานะลืมตาปกติคือลืมตาเป็นสรรมะว่าปกติแล้วก็วางมือลงคือแสดงถึงความปล่อยวางจากการเกาะเกี่ยวผัวพันดีรักชั่วจางเกียดทุกข์รักสุขอยู่ในี่นหรือสิ่งใดก็ตามที่มายึดเอาไปของเราของเราลูกของเราผัวเมียของเราผัวของเราลูกของเราหลานของเราสมบัติพันธสัญของเราตำแหน่งนาบจัของเราอะไรก็ของเราของกูของกูของกูแล้วเราไปยึดมันจะเอามาเข้าหาตัวเนี่ย อย่างนี้ก็เลยมือหนึ่งความกอหาตัวรวมทั้งอาการที่ถูกใจก็จากความกอหาตัวจะยึดเอาไหมเอาไว้ส่วนจริงใดที่ไม่ถูกใจไม่พอใจเนี่ยความความที่ไม่ถูกใจก็มีอะไรละ่ะเสื่อมลาบเสื่อมยศมีความทุกข์มีความไม่สบายใจมีความมนหมองไม่ผ่องใสเนี่ยเสื่อมลาบเสื่อมยศ เสื่อมสุขก็คือไปสู่ความทุกข์แล้วก็อะไรมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสารเสริอมมีนินทาเนี่ยพอมันสิ้นลาบยศตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีคนห้อมล้อมไม่มีคนสารเสริมเศร้ารับไม่ได้กับความสูญเสียความเป็นใหญ่ไม่ได้ อทุกอย่างลาบโยต์ตำแหน่งหมดไปทุกอย่างไม่มีใครคัดคนเคารพนับถือเศร้าเนี่ยจะไปยึดมันก็ของไม่เที่ยงขององค์แต่งให้ปล่อยวางแล้วปล่อยวางเนี่ยมือที่มันคว่ําเข้าหาตัวหนึ่งมือหนึ่งกับมือที่ผักออกไปนอกตัวอีกมือนึงเนี่ยที่มันเกี่ยวกันไว้ให้เป็นทุกข์เนี่ยมันก็ถูกปล่อยวางลงก็เลยสบายก็เลยพ้นทุกข์ เมื่อสิ้นใจที่มันไปปรุงแต่งหลงมาเป็นสังขารหลงมาเป็นสังขารปรุงแต่งคือไปดิ้นรนผักใสกับสิ่งที่ไม่ถูกใจอาการที่ไม่ถูกใจไปยึดเหนี่ยวเกาะเกี่ยวพยายามเกาะเกี่ยวเอาสิ่งที่ถูกใจมาทั้งภายนอกตัวเราไม่ว่าจะเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นหลานเป็นสมบัติพัฒนานบ้านช่องเป็นตำแหน่งลาภยศเป็นสารเสริเป็นฆาตบาลบริวารไปยึดเอาวาเข้าหาตัวยึดไว้ยึดไว้สูญเสียไม่ได้ แต่พอไปสิ่งที่ไม่ถูกใจก็เสียใจริ้นลนผับใสไม่เศร้าซึมเศร้าไปสิ้นความปรุงแต่งลงไว่ปรุงแต่งยึดถือทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งที่ถูกใจและฝั่งไม่ถูกใจทั้งภายนอกและภายในภายนอกร่างกายเราภายในภายในใจเราก็คือร่างกายจิตใจคืออาการทางกายอาการทางใจด้วยไอเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นสังขารไม่เที่ยงทั้งภายนอกและภายในร่างกายจิตใจเราเป็นของไม่เที่ยง มันจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมความแก่ความความเจิบความดับความแก่ความเจ็บความตายเป็นของไม่เที่ยงเมื่อใจมันปล่อยวางสังขารทั้งมวลไม่หลงเอาตัวเราไปเป็นสังขารดิ้นลนค้นหากระเสือกกระสนพยายามทำอะไรให้เป็นอะไรจะพยายามทำอะไรให้ถึงอะไรพยายามที่จะดีรักทั่วชางเกียรติทุกลักสุข พยายามจะปรับปรับแต่งแต Duncan, greasy, Clone, ่งอาการที่ไม่ถูกใจอาการที่บันแช่บันแย่มันจะตายให้เป็นอาการที่ถูกใจอย่างนี้เ็าเรียกว่าหลงเอาตัวเราไปปรุงแต่งหรือหลงสังขารปรุงแต่งหรือหลงยึดถือปรุงแต่งขณะจิตที่มันเนี่ยมันสิ้นความหลงปรุงแต่งหลงเอาตัวเราไปปรุงแต่งหรือหลงไปยึดถือสิ่งที่เป็นสังขารปรุงแต่งในขณะจิตนั้นขณะจิตเดียวเองขณะขณะจิตนะ ขนาดจิตที่สิ้นสังขารนั่นแนะคนะือหยุดปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงหยุดดิดน้นรนหยุดพยายามค้นหาพยายามทําอะไรเป็นอะไรหยุดหยุดหาถูกหาผิดหาเหตุหาผลหยุดดิ้นรนค้นหาพระนิพพานหยุดดิ้นรนค้นหาทางบรรลุธรรมหยุดดิ้นรนค้นหาจิตที่ดีดีจิตที่ไม่แช่เพียงแค่ขนาดเดียวคนนั่นแน่ที่มันหยุดปรุงแต่งจริงๆรนะิงสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมันอยู่ในตัวเราเนี่ย คือนิพพานธาตุจิตดั่งเดิมแตแฉหรือใจดั่งเดิมแตแฉหรือวิสังขารคือความไม่รูปแต่งหรืออักังหรืออสังขตาธาตุหรือนิพพานธาตุปรากฏทันทีเลยคือปรากฏเป็นอะไรเป็นความสงบเป็นความว่างเปล่าเป็นความสุขที่ไม่ได้เป็นความสุขแบบเวทนา เป็นความสุขที่สิ้นความยึดมั่นถมั่นนิพพานังปาลังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ใช่สุขแบบไปยึดอะไรให้เป็นสุขไม่ใช่สุขพายึดสุขเพราะเกียรติทุกข์แต่สุขเพราะสิ้นยึดนิพพานังปาลังสุขขังนิพพานังปาลังสูญยัง คือนิพพานัางปรามังสูญอย่างสะกก่อนคือสิ้นความปงแต่งสิ้นความหลงสังขารหรือสิ้นเอาสิ้นสังขารสิ้นหลงเอาตัวเราไปสังขารก็มีธรรมที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกจริงที่หลวงปู่มั่นปริจตโตพ่อแม่ครูบาาจารย์ใหญ่ได้กล่าวไว้สิ้นสังขารก็มีธรรมที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกหรือ ที่ในคําสวดที่เจ้าตัดไว้อานิจาวตาสังขาราเลือว่าพาประชาชาบักชาบากชาบัก ช, ก ช, กชกักภาพบาสกุลงานศพเวลาเข้าภาพาไปพาดที่ศพใช่ไหมให้พระคือไปชกไปักบาสกุลพระก็จะสวดอานิจาวตาสังขาราสังขารไม่เที่ยงหนอะเนี่ยสังขารทั้งหมดไม่เที่ยง สังขารกายสังขารจิตสังขารภายนอกร่างกายไม่เที่ยงหมออุปเดวิยะธรรมนโนเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเตสังอุปสมุสุขโขผู้ใดสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นในสังขารตั้งปวงและหลงเอาตัวเราไปสังขารปรุงแต่งเอาตัวเราไปสังขารอะไร สิ้นหลงสังขารก็จะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งเตสังนะเตสังก็คือเตก็คือผู้ใดสังก็คือสังขารผู้ใดสิ้นสังขารก็จะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งนี่เนี่คืออนิพพานยิปพานัปปรมังศูนย์อย่างคือ หลนเปล่าจากความหลงไปถึงสังขารใดๆทั้งมวลหลงยึดถือสังขารใดๆทั้งมวลหลงเอาตัวเองมาเป็นสังขารและหลงสิ้นความยึดบ้านถือบ้านว่ า, าตัวเราเนี่ยเป็นสังขารสังขารปรุงแต่งขันห้าทั้งมวดเนี่ยเป็นตัวเราสิานส้นความหลงว่าขันห้าคือเป็นความปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยคือร่างคือรูปอาคาร <k ent> และนมามอาคารเนี่ยรูปใบธนาสัญญาสังขารว <k ent> ิญญาณเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือตัวเราเป็นขันห้านี้ หรือตัวเราเป็นผู้รู้คือเป็นวิญญาณขันธ์หรือเอาวิญญาณขันธ์เนี่ยผู้รู้เป็นตัวเราหรือเอาวิญญาณขันธ์หลงเอาวิญญาณขันธ์คือตัวเราไปเป็นผู้รู้สิ้นความหลงขณะจิตเนี่ยเลิกวุ่นวายกับสังขารเลิกเอาตัวไปเป็นสังขารแค่นั้นแน่เลิกวุ่นวายไปเป็นสังขารเลิกวุ่นวายกับสังขารทั้งมวลขณะจิตหนึ่งเนี่ยที่มันเลิกวุ่นวายจริงๆเลิกวุ่นวายกับสังขารหรือเลิกวุ่นวายที่จะเอาตัวเราไปเป็นสังขารปรุงแต่งหยุด ไปเยื่อหุ e? ้นไหวที่พยายามจะพยายามคิดพยายามนึกพยายามตึกพยายามตองพยายามที่หล่นพยายามค้นหาพยายามปรับปรับแต่งแต่งพยายามทําอะไรให้เป็นอะไรพยายามทําอะไรเพื่อให้บรรลุอะไรพยายามจะหาพฏิพานพยายามพยายามพยายามพยายามพยามวิเคราะห์วิจารวิจัยพยายามมันหลงสังขารนะงั้นสิ้นหลงสังขารจึงมีธรรมที่มั่นคงขนาดจิตเลยนะสิ้นหลงสังขารปุ๊บ ใจที่ว่างเปล่าที่สงบจากความวุ่นวายสงบจากความยึดมั่นถือมั่นมีความเย็นเยอือกเข้าไปเป็นใจโผล่มาทันทีเลยมันโผล่ขึ้นมาทันทีเลยขณะที่มันสิ้นสังขารเสี้ยววินาทีเดียวกันไอสิ่งนี้ที่ไม่เคยมันมีที่เราไม่มันอยู่ในตัวเราแต่เราไม่เห็นมันเนี่ยความสงบจากความเล่าร้อนจากสังขารใดใทั้งมวลสงบจากความปรงแต่งใดใทั้งมวล ความเงียบความสงัดความสงบความไม่กระเพื่มความไม่ไหวตัวความสงัดสงบสงัดทั้งภายนอกภายนอกภายในทั้งจักรวาลโลกธาตุเป็นอันเดียวกันเป็นความว่างเปล่าจากความปุงแต่งใดๆทั้งมวเป็นความสุขเป็นความเย็นเยือกเข้าไปถึงข้นบึ้งหัวใจเป็นความสุขที่เกิดจาก ความสงบสมดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขใดจะเหนือกว่าใจที่สงบเป็นไม่